ขอความสุขความเจริญท้งมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้จะพูดเรื่องปฐมกามาสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยสัตว์ผู้ต้องข้องอยู่ในกาลสูตรชุดนี้มีสองสูตรเช่นเดียวกันในการสะท้อนพฤติกรรมของบุคคลภายในสังคม ให้เห็นว่าส่วนใหญ่แล้วก็จะหมกมุ่นอยู่ในเรื่องของการมัจุขกิจกรรมต่างๆที่ปรากฏภายในสังคมไม่ว่าในยุคใดสมัยใดก็ตามมันก็วุ่นวายอยู่แถวกามกินเกลียดหรือว่ากามกินนอนกลวนเอท่านจะทอนเหตุการณ์เมื่อยุคสองพันห้าร้อยกว่าปีมาแล้ว แต่ถ้าเราไปศึกษาในรายละเอียดแล้วจะเห็นว่ามนุษย์เราไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงอะไรเท่าไรอย่างที่เคยพูดไว้ในเรื่องของกามสูตรวันก่อนก็สะท้อนภาพลักษณ์ของมนุษย์ที่หมกมุ่นอยู่กับเรื่องสแสวงหาความสุขทางเนื้อหนังปลดปรือตัวเอง ตอบสนองความปรารถนาที่เกิดขึ้นภายในใจของตัวเองอย่างที่เคยเล่าเรื่องสหายของนางวิสาขาท่วันนคตรเราเล่ก็ชวนกันไปทาทีว่าไปฟังเทศในสำนักของพระพุทธเจา้าแต่ว่าแอ บ, บซ่อนสุราไปในชายปก ในขณะที่พระเจ้ากำลังแสดงพระธรรมเทศนาอยู่นั้นพวกเธอก็เอาเหล้าที่แอบซุกไว้เนี่ยมาจิบดื่มไปเรื่อยๆพอถึงจุดหนึ่งก็เมาตั้งสติไว้ไม่ได้มีอาการกริยาที่ผิดแพกแตกต่างกันออกไปเรื่อยๆจนลึกขึ้นเป็นรำต่อร พ, พระพาพตรพุทธเจ้า พระเจ้าทรงกำหนดรู้พระไถยก็ทรงใช้วิธีกำราบโดยการทำให้ตกใจคือทำกลางแสงสว่างในกลางวันเนี่ยจะตามปกติพระเจ้าเทศสอนชาวบ้านในตอนเย็นชาวบ้านก็เสร็จภารกิจการงานในตอนเย็นก็ไปฟังธรรมกันก็ทรงบันดาลโดยพุทธานุภาพไปบริเวณสงนั้น มืดมิดไปหมดแล้วพระองค์ก็ไปปรากฏพระองค์อยู่ในที่ไกลทรงเปล่งรังสีมาจากพระองค์เป็นลำแสงใล้ใกลกับไฟสายคือพุ่งเข้ามาใส่หน้าท่านแล้วนั่นคนนั้นก็ตกใจสางเมาเม้นว่าอยู่ในวาระที่จะฟังเหตุผลใช้สติปัญญาได้ รับสั่งเป็นภาษาบาลีไเรว่าโกนุหาโสกิมานันโดนิจังปัชลิเตสติอันตากาเรนโอนัทธาปิปังนักเวสสะเธอตั้งหลายจะมัวเพลิดเพลินรื่นเริงอะไรกันอยู่อีกแล้วในเมือโลกกษัตนิวาตเป็นลุกโพรงอยู่ตลอดเวลาเพรเธอที่ถูกความมืดทุ่มห่อเอาไว้ ทำไมจึงไม่สวยหาประทีปเป็นเครื่องส่องทางให้แก่ชีวิตเราครนี้ท่านผู้ฟังทั้งหลายจะสังเกตว่าประโยคแรกพูดถึงลักษณะโลกที่ลุกโผลงาตำนองคล้ายๆสว่างแต่ว่าจริงๆไม่ใช่สว่างมันเป็นการลุกโผงด้วยอำนาจของความมืดคือโมหะเรือวิชา ผลสิ่งที่ลุกโรง่อยู่ในภายในก็คือกามราคะคือโลภะคือโทสะแต่ว่าการทั้งหมดนั้นก็สืบเนื่องมาจากโมหันต์ผลประโยคหลังยังรับสั่งว่าพวกเธออันความมืดทุ่มห่อเอาไว้หมายความว่าความมืดทุ่มห่อจิตใจเอาไว้ มันน่าจะแสวงหาปัญญาคือแสวงหาแสงสว่างเป็นเครื่องสองทางให้แก่ชีวิตยัยงข่าวคราวที่ปรากฏทึงสื่อมวลชนในขณะนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือจากกระทรวงสาธารณสุขที่พูดถึงยาบ้าไม่ใช่ยาบ้าคือยาเสพติดประเภทใหม่มันไม่ยาขนาดหนึ่งไม่ใช่ขนาดนะค ง, งไม่เรียกว่าขนาดนะก็คือชนินดหนึ่ง แล้วก็คงไม่ใช่ยาที่เป็นสิ่งเสพติดชนิดหนึ่งในลักษณะที่มอมเมาเพราะคนที่เสพเข้าไปจะไม่รู้สึกตัวเองจะทำลายความรู้สึกแต่จะวิ่งเข้าไปหาผู้ชายมีใชสํำน ว, นวนว่าเป็นยาที่เสียสาว ถึงจุดเดึ่จะทำลายประสาทส่วนสมองที่ควบคุมสำนึกที่ดีงามคือปะควังอย่างนั้นแล้วก็รู้สึกว่าโลกมันจะน่ากลัวขึ้นทุกวันบ้านที้ออกข่าวคราวอย่างนี้ที่ยิงก็ให้แสงสว่างนะให้เหตุผลให้สติปัญญาให้ความคิดแก่คนแต่คนก็ยังมืดบอดด้วยเหตุผลสติปัญญา โดยเฉพาะปัญหายเยาวชนจะเป็นปัญหาใหญ่เพราะว่าถ้าคนก็เราถูกทำลายระบบประสาทส่วนสมองในลักษณะนั้นจากยาบ้าบางังจากสิ่งเสพติดในลักษณะต่างๆบ้างจากโรคเอดเป็นต้นบ้างนึกดูสังคมต่อไปจะเป็นยังไงเรื่องนี้จริงๆไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่ว่าศาสนาไม่มีโอกาสที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมคือไปแก้ไขอะไรในลักษณะกายบำบัดได้เพราะศาสนาจะช่วยในเชิงจิตบำบัดป็นจริงกายบำบัดนั้นมันแก้ปัญหาได้ชั่วคราวมันต้องแก้ด้วยจิตบำบัดคือจะต้องขจัด ความรู้สึกนึกคิดที่ไรทิศทางต้องการแต่ความสนุกทางเนื้อหนังชัวงช่วคราวแล้วเกิดปัญหาเกิดอันตรายติดตามมากลายเป็นกระทบกระเทือนไปหมดนตั้งแต่ตัวเองครอบครัวจะ ก, กูลมง่งสังคมประเทศชาติมันไปใหญ่ คือลองสังเกตว่าแม้แต่ว่าคนดื่มเหล้าอย่างเดียวเนี่ยมเมาเหล้าอย่างเดียวมันก็กระทบต่อสุขภาพของตัวเองกระทบต่อสถานะเศรษฐกิจของตัวเองกระทบต่อบุคคลภายในครอบครัวกระทบต่อสังคมสร้างปัญหาเด็ก ร, รมคนเสื่อมสุขภาพกระทบปัญหา สางสาธรณสุขแล้วก็ทำให้สูญเสียเงินซาไปในการบำ บ, บัดโรคเหล่านี้บุคคนเหล่านี้ไม่ได้สร้างสารรค์พัฒนาอะไรแต่ว่าสังคมจะต้องไปดูแลจะต้องเอาไปจ่ายเอาใจใส่จะต้องสิ้นเปลือเงินทองในการดูแลรักษาคนเหล่านี้เพราะทุกครั้งมันกระทบหมด แต่คนไม่คิดนะคนไม่ค่อยคิดว่าจริงๆไม่ใช่เรื่องส่วนตัวไม่มีอะไรเป็นเรื่องส่วนตัวเพราะเราเป็นสัตว์สังคมนะจะบวกจะลบมันกระทบถึงคนอื่นด้วยกันทั้งนั้นเพียงแต่ว่าบวกมันกระทบในด้านดีพอลบมันกระทบในด้านเสือ่อเสียหายในด้านต่างๆเบือ น, นี้มันเป็นการกระทบระดับโลกละ พอข่ า, คาวคราวเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นมันก็สื่อสารออกไปทั่วโลกเร้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสามจังหวัดภาคใต้กับหกจังหวัดภาคใต้มันก็ทำให้คนกลัวธรรมชาติอย่างหนึ่งกลัวมนุษย์อย่างหนึง่งกระทบต่อปัญหาเศรษฐกิจกระทบปัญหาสังคมกระทบปัญหาการศึกษาเลาเรียน กระทบปัญหาทางการเมืองมันกระทบไปหมดเลยแล้วบางครั้งบางกล่าวคนเราก็ไม่สํานึกไงมันเหมือนกษัตริย์ที่เขาดาไปสู่ตะแลงแกงคือนาไปสู่โรงฆ่าสัตว์ก็ยังจิกตียังชนยังอะไรอะไรกันอยู่ตลอดท า, ทางที่ใกล้โรงฆ่าสัตว์เข้าไป ผลภาพลักษณ์ในแนวนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงว่าพระผูม้มภพระเจ้าเองก็ทรงสนพระไทยมีพระไถยอนุเคราะห์ต่อคนเหล่านั้นสัวรู้เห็นเหตุการณ์เหล่านั้นโดยวิธีการต่างๆนะก็แล้วแต่แต่ว่าในกรณีนี้มันเป็นการอุทาน คือหมายความว่าทรงประรบเหตุการณ์เหล่านั้นแล้วก็เปล่งเป็นพุทธอุทานแต่ก่อนจะเปล่งเป็นพุทธอุทานนั้นก็สะท้อนภาพของสังคมแห่งยุคสมัยให้เราเห็นแล้วพอมาดูการอธิบายขยายความของพระตกถาาจารย์แล้วก็จะเห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นท่านบอกว่า คราวหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่ประเชศตะวันเหมือนเดิมพวกมนุษย์ทั้งหลายในพระนครสาวัตถีโดยมากเป็นผู้คล่องแล้วในกามเกินเวลาคือหมกมุ่นในเรื่องเพศในเกินเวลาหาความสนุกสนานกันในทางเพศคือถ้าเรา ม, มองอีกทีหนึ่งคล้ายๆกับเป็นยุคต้นๆนะ ก็ในการต่อมาเนี่ยคนเหล่านี้กลายเป็นชาวพุทธส่วนใหญ่เนี่ยเป็นชาวพุทธเหตุการณ์เหล่านี้จึงคงเป็นเหตุการณ์ตอนแรกๆที่สร้างประเทศตะวันขึ้นก็หมกมุ่นในเรื่องการเกินเวลาเช่นเรื่องเนี้ยเช่นพวกสถานที่เริงรมตั้งหลายที่เกลื่นไปหมดในกรุงเทพเนี่ยหรือในต่างจังหวัด คือบางครั้งไปบรรยายไปพาตะกัถาให้ต่างไวต่างจังหวัดกับข้าวบางกรุงเทพเลยเชื่องคืนนะก็ดูริมทางมาตลอดก็นั่งนึกสลดใจว่าเออคนเนี่ยวันนี้ยังไม่กลับบ้านกันเลครอบครัวเขาอยู่ยังไงสุขภาพเขาจะเป็นยังไงพ่อแม่เขาจะรู้สึกยังไง แต่ก็ยังว่าแหละคือเราก็าไปพูดจาอะไรไม่ได้ก็เพียงแต่ว่าสะท้อนออกมาเมื่อบางการบางโอกาสเป็นข้อมูลที่เราเหินเราเราพบเห็นมาโดยตรงเรามาผสมกลมกลืนในโอกาสต่างๆได้แต่เราเข้าไปแก้ไขปัญหาเรารันโดยตรงไม่ได้ ท่านใช้คำว่าโดยมากเป็นผู้ข้องเป็นผู้ล้องแล้วในกามเกินเวลาโดยท่านอธิบายว่าพวกสัตว์เนี่ยคือติดคือข้องเพราะไม่เห็นโทษแม้ที่มีอยู่ไปมองในแง่มุมของความยินดี การติดร้องเพราะว่ามันไม่คิดโดยโดยโดยหลักของโยนิโสมในสิการคือไม่ไม่คิดโดยเหตุโดยผลเนอะเช่นว่าคนทำงานเหนื่อยแทบตายพอเลิกงานเนี่ยแทนที่จะกลับบ้านอาบน้ำอาบผ้าพักผ่อนอยู่กับครอบครัวเพื่อเตรียมพร้อมที่จะทำงานเนโวกาต่อไป เราไปตั้งวงโกงเล่ากันและส่วนใหญ่ก็เป็นกรรมกรเรื่องเหล่านี้บางครั้งที่เราเรียกร้องถึงสิทธิเสรีภาพการให้โอกาสในด้านต่างๆคือมันไปเรียกร้องในส่วนผลที่จริงถ้าเหตุมันเสมอผลมันก็เสมอได้มันไม่แปลกอะไร เป็นนิเหตุไม่เสมอเนี่ยผลจะเสมอได้แก่คนหนึ่งก็เรียนหนังสือจนจบเป็นยาตรีเป็นยาโทเป็นยาเอกคือสามารถทำงานให้แก่ห้างร้านบริษัทองค์กรต่างๆได้เกินค่าจ้างที่เขาจ้างเขาก็ได้สถานะในขณะเดียวกันตัวเองเรียนอีกระดับหนึ่ง บางคนก็จบแค่ป .6 บางคนก็จบแค่ม .6 บางคนก็จบแค่ปวชมันก็ได้ในสถานะเหล่านั้นแหละแต่ว่าจะได้สถานะที่เหมือนกับพวกปัญญาโทปัญญาเอกมันไม่ได้คือเราจะต้องมองในเชิงเหตุผลว่าปัญหาที่พักได้เนี่ยมาลองสังเกตว่ามันนานว่าเวลาคนพูดเนี่ยคือไม่พูดถึง พื้นฐานทางการศึกษาพื้นฐานทางสังคมว่าปัญหาใหญ่ที่เขาไม่ได้โอกาสไม่ได้ฐานะไม่ได้ตำแหน่งหน้าที่การงานเนี่ยคือว่ามันมีปัญหาที่การศึกษาว่าศึกษาไม่เข้าสู่ระบบถึงจุดหนึ่งเขาก็แยกไปที่ปอด น, นอกปอด น, นอกไม่ใช่วิชาชีพนะฮะมันเป็นวิชาการทางศาสนา ถึงแต่เราไปทางวิจ า, ารณ์ศาสนาเราก็ต้องยอมรับนะว่าเราก็ไปเจริญก้าหน้าทางศาสนาแค่แค่ก็พวกพระเนี่ยบวชแล้วก็สืบต่อไปต้องยอมรับสถานภาพว่าเราจะเป็นอย่างวิศวกรอย่างสถาปนิกอย่างแพทย์อยางทันตแพทย์อย่างอะไรไม่ได้เร า, าเราเรียนมีอีกเรื่องหนึ่งคนพวกบัณฑิตลาพธ์ในพระพุทธศาสนานี่มีเยอะ แต่เมื่อศึกไปแล้วเนี่ยเขาก็ยอมรับสภาพเขาพอรดิดโดนก็ขวนขวายก็ชื่อเหลือตัวเองเดี๋ยวก็อยู่กันมาตั้งนานแล้วนะที่ทธิที่พึงได้ก็คือได้ตามสิจิตฝังราชการก็เปรียบให้อย่างไรเทียบชั้นให้อย่างไรเขาก็มาดูหลักสูตรมาดูเนื้อหาวิชาเรียบกันได้อย่างไงเขาก็เทียบให้ นั้นก็แสดงว่าเหมือนมีนเหตุมันก็มีผลอ่ะทีนี้การไม่เข้าถึงเหตุผลเนี่ยเป็นเป็นเรื่องยากคือยังนึกถึงโซนที่ท่านนายกท่านพูดวันก่อนเรื่อมาฟังแล้วมันฟังไปอีกเรื่องหนึ่งเละคือเราฟังว่าเป็นภาษ า, ษาธรรมดาเป็นวิธีการทำงานธรรมดา สัมมวลของทางการทหารก็อาจจะเรียกว่ายุทธศาสตร์ยุทธวิธีตรงนี้เป็นยุทธวิธีในการทำงานอะไรก็ได้นะเราจะต้องมีวิธีที่แตกต่างกันสมมติว่าเอาเกณฑ์เนี่ยเอาเกณฑ์ของเข้าใจเข้าถึงแล้วก็พัฒนาปัญหาว่าเริ่มตรงไหนก่อนเริ่มนี้เข้าใจก่อนแล้วเข้าถึงก่อน ทีนี้ในในบางแห่งมันไม่ใช่โซนไม่ใช่เหมาตำบลหมู่บ้านมันไม่ใช่เหมาขนาดนั้นคือเป็นการรับรู้กันใน ห, หมู่ผู้ทำงานนะเพราะตรงนี้คนยังมีปัญหายังต่อต้านอานาจรัฐยังก่อ ก, การร้ายแล้วก็สนับสนุนผู้ก่อ ก, การร้ายอยู่เพราะฉะนั้นจะต้องทำความเข้าใจกันก่อนแล้วก็เมื่อเข้าถึงแล้วจึงพัฒนาทีหลัง ก็แสดงว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มของสีแดงไปทำพร้อมกันไม่ได้ฮะนันต้องปรับสภาพความพร้อมไปก่อนก็จำนอ ง, ลองกล้าๆกับเราซุ้งมาทำเฟอร์นิเจอร์เนี่ยมันทำทันทีไม่ได้มันต้องผ่านขั้นตอนมาจนกว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์พัฒนานั้นเป็นเป้า แต่มันต้องปรับสภาพความพร้อมมันไม่ใช่ว่าคือที่เข้าใจมันผู้คนละเรอกเหน่อยอยังนึกว่าเออหนักบริการบ้านเราในแปลกทำไมไปคิดอย่างนั้นทำไมไปคิดว่าคนที่เขาทำงานเนี่ยเขาอยู่ภาคสนามเขามีข้อมูลมาตลอดเขาไม่ได้โง่เขาเรียนมาเรื่องนี้โดยเฉพาะเขามีวิธีการของเขาทำไมไม่ปล่อยเขาทำไปก่อนล่ะ ทำไมคุณไม่ภาษาตัดสินมีนิจัย่เขาผิดเขาถูกอะรู้ได้ยังไองไอย่างมันยังไม่ได้ทาอะรู้ได้ยังไงอย่างนั้นผิดรู้ได้รู้ได้ยังไงอย่างนั้นถูกในเมื่อไม่ได้ทำทั้งสองอย่างนี่คือปัญหาปัญหาที่มันเราเห็นชัดนะฮะโมหคติหรือว่าโทสาคติดูฉันไม่ชอบเธอถ้าเธอทำเธอคิดเธอพูดแล้วผิดทั้งนั้นเ น, น่ก็แสดงว่ามันโทสาคติ แต่มันไม่พยายามทําความเข้าใจอ่ะมันก่อนอุปมาให้โยมมาฟังว่ามันเหมือนก็โยมกินอาหารนะบางอย่างอาหารนี่มันชิ้นมันเหนียวแล้วคืนอ่ะมันสเต็กมันเนื้อมันเหนียวเราต้องใช้ทั้งซ่อมแลยใช้ทั้งมีดแต่ทีนี้พอตัดออกมาแล้วนี่ใช้เฉพาะส้อมแต่บางอย่างก็อาจจะใช้มือแต่ทั้งหมดก็คือการกินสเต็ก เวลาการเหล่านี้จริงๆมันมันฟังแล้วมันคิดง่ายอะ่ะมันไม่เห็นมันมันสลับซับซ้อนอะไรมองป้าป้องก็เข้าใจละใบนี้มันเป็นเป็นโค้ดคล้ายๆกับเป็นสัญญาณบอกกล่าวว่าถ้าทีปรับสภาพอย่างไงเป็นการรู้เขารู้เราอะ่ะพอมาประเภทอะไรประเภทเหลืองเน่ยประเภทเหลืองก็หมายความว่ามันไปพร้อมกันได้ ทั้งเข้าถึงทั้งทั้งเข้าใจนี่ไปพร้อมกันได้แล้วก็พัฒนาทีนี้ผลสีเขียวนี่พัฒนาได้เลยเพราะมันพร้อมแล้วก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ไม่เห็นมีอะไรเพียงแต่ว่าเริ่มอะไรก่อนอะไรหลังเท่านั้นมันไม่ใช่ตัดเงินแต่เงินในตอนแรกเนี่ยเอาไปไม่ได้มันมีปัญหาในการบริหารจัดการกับเงิน หรือคนเราถ้าพยายามทำความเข้าใจและอย่าคิดว่าเราเก่งคนเดียวยอมรับว่าคนอื่นเขาเก่งเขาสามารถเขาอยู่ภาคสนามเขารู้ดีกว่าเราเราบางทีอ่านหนังสือพิมพ์เฉยๆเนี่ยไม่ตัดสินน่ะนี่คืออะไรอะ่ะคือเป็นลักษณะคล้องเป็นลักษณะคล้องอย่างหนึ่งคือคล้องนี่ไม่ได้หมายถึงการเสมอไปนะฮะการคล้องในทิฏฐิก็คล้องกามก็คล้องพบก็คล้อง แล้วก็ความไม่รู้นี่ก็คล้องเพราะฉะนั้คําำว่าคล้องคำว่าจิตเนี่ยบางทีเรียกว่ากัารทะโดยเจนว่ากามันก็เป็นกามโมคฆะเป็นกามาโอมฆะเป็นกาเมังอการท่ไม่กามื่อการท่าคล้องนี่ก็เรียกว่ากาเมคันกะท่าพิธีการท่าคือคล้องโดยความเห็นแล้วก็อวิชากัรท่าคล้องโดยความไม่รู้ เพราะว่าขันธ์ข้องข้องในความเป็นในด้านต่างๆเพราะฉะนั้นใ จ, จะเห็นว่าตัวเนี้ยมันข้องในตัวตัวกลามคือตัววัตถุกลางในการในข้องวัตถุกลามเนี่ยใจ ม, มันมันมี ก, รรมกรรมิเลสกามทีนี้แต่ข้องเรื่องอื่นเนี่ยก็แสดงว่าภายในใจมั น, ม, นมันต้องมีกิเลสเป็นเหตุให้ข้องจะเป็นทิฏฐิหรือจะไอ้ทิฏฐิตัวกิเล ส, รร ม, สรรมันก็แล้วแต่นะ อาจจะเป็นโมหาคติก็ได้อาจจะเป็นโทสาคติอาจจะเป็นฉันทากติอาจจะเป็นพยาคติก็ได้แต่สรุปว่าใจเรามีปัญหาไม่ใช่คนอื่นเขามีปัญหาหรอกปัญหาว่าเราจะต้องตรวจสอบที่ใจเราเอ๊ะทำไมเราคิดอย่างนั้ล่ะ ร, รับข่าวสารขนาดนั้นวินิจฉัยเลยจะละ่ะชี้ผิดชี้ถูกเลยเก่งขนาดนั้นจะละ่ะ เป็นสัพปปัญญูมีอนาคตตังสยามได้ยังไงยังไม่รู้ได้แค่แ น, นั้นนะแลนนี้คือลักษณะของโลกลักษณะลักษณะของโลกเขาก็เป็นอย่างไงมันจะมาจากอายุนิสโสมนัสติการคือไม่ใช้ความคิดไม่ใช่เหตุผลไม่ใช่สติปัญญาไม่มองโดยเหตุโดยผลไม่มองว่าใครเป็นคนทํา เราสมมท่านนายกเป็นคนพูดท่านนายกพูดหลังจากประชุมแล้วฟังรายงานในแง่มุมต่างๆแล้วก็ติดตามข้อมูลอยู่ตลอดข้อความรายงานทุกวันมีคนก็รายงานเขาทุกวันเขามีข้อมูลนะฮะเราไม่มีข้อมูลอนะ่ะเนฟังแล้วต้องเข้าใจสอนให้คนอื่นเข้าใจเราจะไม่เข้าใจขาดเพราะเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเนี่ยไม่ใช่ว่าคนใดคนหนึ่งต้องทํา มันจะต้องเข้าใจซึ่งกันอะไรกันแล้วก็เข้าถึงซึ่งกันอะไรกันแล้วก็พัฒนาไปด้วยกันเว้นนี้เรายังสับสนเราต้องการแต่ให้ราชการเนี่ยเข้าใจราษฎรโดยราษฎรไม่เข้าใจตัวเองไม่เข้าใจราชการแล้วจะทํกันได้ไงมันลักษณะอย่างนี้อารมณ์ที่คล้องเนี่ยมันเป็นอารมณ์ที่มีปัญหาเพราะการคล้องทั้งหมดมันเป็นกิเลสทั้งนั้น มันก็เกิดเกิดการยึดติดเนี่ยเหมาโหลเหมาวรวบไปไลยถ้าพวกนี้แล้วไม่ดีเห็นหแคๆกับสังคมสังคมอารยันเนี่ยจนถึงปัจจุบันสังคมอีเดียก็ได้แก่คล้องอยู่ในวันหน้าจนทุกวันเนี่ยแล้วแกก็ใช้วิธีเหมาโหลหมายความมาต้าววันหน้าพรามแล้วก็ตะเกงวันหน้ากษัตริย์แล้วก็ตะเกงวันหน้าแพทย์เนี่ยไม่แน่ วันนั้นสูตรทีต้องเร็วจนทามยิงเร็วแต่ต้องไม่ได้เลที่นี้ไม่ใช่ผู้เจ้าทรงปฏิวัติความคิดแถวนี้ให้ดูที่กรรมเขาให้ดูที่การกระทำของเขาคนจะเร็วก็ไม่ประชาติสกุลคนจะเป็นผู้ประเสริฐก็ไม่ใช่ไม่ใช่ชาติสกุลแต่คนจะเป็นคนเร็วก็ประการกระทำเป็นคนประเสริฐก็ประการกระทำแก้ไม่ได้ยุคพระพุทธเจ้าก็แก้ได้เป็นยอมยอม มันแก้ไม่ได้เพราะว่าจริงๆมันอยู่ข้างในอยู่ในใจมนุษย์เคนกิเลสเป็นเหตุให้ค้องมาอยู่มนุษย์ก็คล้องกัอยู่อย่างนี้ยทีนี้พอคล้องมันก็ติดติดก็ลาลาลังกลับดีไม่กลับดีโทรศัพท์ไปแล้วเนี่ยโทรศัพท์อาจจะเรียกนะรอก่อนค่อยก่อนเดี๋ยวก่อน กำลังติดธุระก็โกโหกผิดศีลผิดธรรมไปกเป็เป็นแทรกนะเพราะท่านอธิบายไว้เนี่ยพระตถาจารย์อธิบายเป็นการสาวลึกแล้วก็สะท้อนภาพสังคมมนุษยชาติกลุ่มหนึ่งนะไม่ใช่ทั้งหมดคือตรบใด ต, ตัวการใหญ่นี่คืออายนในโสมนาธิการเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ คือถ้าคนเราคิดได้ไดคิดได้ดีคิดได้เป็นคิดได้ชอบแล้วไม่เป็นอะไรอ่ะโลกมันก็เป็นโลกอย่างเงี้ยเขาค้องเราไม่ค้องเรามองเขาด้วยความเข้าใจหรือความเห็นใจโดยการให้อภัยโดยการอดทนโดยการรอคอยวุฒิภาวะบางทีก็รอความพร้อมในร้านต่างๆ โอกาสที่จะพูดที่จะคุยเนี่ยบางทีเพิ่ต้องหาเวลาหาจังหวะที่เหมาะเหมาะบอกคุยกันได้หรือเรื่องบางเรื่องเนี่เอาไปพูดเป็นการทั่วไปไม่ได้มันก็เจาะเฉพาะกรณีเฉพาะประเด็นแต่ตัวนี้ท่านสะท้อนภาพของมนุษย์ชาตินะฮะไม่ได้หมายความว่าในยุคใดสมัยใดถ้ากิเลสเกิดขึ้นภายในใจใครเมื่อไหร่มันออกมาอย่างนี้แหละ คือจิตจะกำหนัดกำหนัดด้วยอะไรกำหนัดด้วยสั้นราคาคือความกำหนัดด้วยความพอใจถ้ายังพอใจอยู่เนี่ยจิตจะกำหนัดอยู่มันต้องคลายความกำหนัดแล้วความพอใจก็จะออกเพราะพอใจกับกำหนัดเนี่ยมันพอใจไปเนี่ยเกิดกำหนัดกำหนัดไปเนี่ยถเกิดพอใจก็ได้ก็ก็ก็คือกัน เป็นการทําจิตใจในให้แปรผันในเปลี่ยนแปลงไปเหมือนกับผ้าที่ถูกยอ้อมด้วยสีลองสังเกตว่าคนที่เข้าไปในที่เริงรมทั้งหลายเนี่ยอาจจะเข้าไปเพื่ออย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อดูเพื่อฟังเพื่อกินอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งนะแต่ในที่สุดนี่ก็จะถูกยั่วยุ่นถูกยั่วยวุด้วยวิธีการต่างๆถูกท้าทายถูกล่อหลอก สารพัดในแวททงตรงนั้นก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นวิธีการล่ามนุษย์อะเอามนุษย์เป็นเหยื่อนะฮะมนุษย์จริงๆมนุษย์ล่ามนุษย์อยู่ตลอดเอามนุษย์เป็นเหยื่อขอบโกยตักตวงผลประโยชน์จากคนทั้งหลาย วิธีการที่จัดการวิธีการทําโฆษณาทั้งหลายคืองานบางอย่างเนี่ยเราจะเห็นว่า ง, งานที่เกี่ยวกับเช่นสมมติงานนิเทศกดีงานระดับศาสตรส์งานอะไรต่ออรางๆแม้แต่จิตวิทยาเนีก็ที่จริงก็เป็นวิธีการที่จะล่าคนอื่นเอาคนอื่นมาเป็นประโยชน์ซึ่งถ้าเราเทียบเกียงแล้วเนี่ยคําถามคําตอบมันจะต่างกัน อย่งางศาสนาเนี่พระเจ้าทา่านวางหลักไว้ชัดเจนมากเลยเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่สิ่งมีชีวิตทั้งหลายเพื่อนุเคราะห์ต่อชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอย็ชัดเจนนะฮะว่าธรรมะเนี่ยธรรมะนั้นเป็นการแสดงเพื่อประโยชน์แก่ผู้ฟัง ก็อย่างนี้สมมติอะไรรายการนี้เราจะเห็นว่าหมหาเทไรเาชักอาจะจ่ายเยอะนะฮะหมหาดีศรีปฐุมเนี่ยก็จะจ่ายเยอะแต่ว่าเขาต้องการช่วยเหลือกอคุณสังคมบริการสังคมโดยการเผยแพร่ธรรมะส่วนผู้ฟังจะฟังหรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง แต่ว่าเจตนาเนี่มันเจตนาเป็นกุศลลักษณะของธรรมทานในการให้ทานทีนี้จิตที่ถูกที่ถูกยอมเนี่ยถูกย้อมก็เหมือนกับผ้าที่ถูกย้อมด้วยสีต่างๆเพราะแนวกรารมาฉันเนี่ยแนวกรารมาฉันท่านอุปมาว่าเหมือนน้ํนาที่เจือด้วยสีแนวการมราค้าแนวโลภะลองสังเกตวุ่มันเหมือนกับผ้าที่เจือด้วยสีหรือนน้ําที่เจือด้วยสี เราเข้าไปในที่ใดที่หนึ่งนี่จะแพ้่สีสันในด้านต่า ง, างๆที่มีการปรุงแต่งกันแ้ะเกิดกำหนดด้วยความกำหนัดไอ้นี้สวยนั้นสวยรูปสวยเสียงไพเราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสน่าจะต้องจิตมันก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆคือคือความกำหนัดโดยเพ่ง มีความหวังมีความหวังว่าจะได้จะมีจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นโดยสภาพจิตเนี่ย จ, จิตเป็นจิตเป็นจะเพงต้องการได้ต้องการมีต้องการเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ท่านบอกว่ามันเกี่ยวเนื่องในกามเพราะว่าเป็นภาวะจิตที่เปื่อนยากคือกามนี่มันเปื่องยาก ยันีิโลกกนิคเขว่าไว้เนี่ยมีบุตรบ่วงหนึ่งเกียวพันคอสปุกปาถาครอหวงไว้พัญญาเยี่ยงบ่วงปอดึงรัดมือนาสามบ่วงใครพ้นได้จึงพ้นสงสารสามสามบ่วงนะฮะสามบ่วงนี่มันติดละบ่วงเดียวก็ติดแล้วนะบ่วงสามีบ่วงพันยาบ่วงลูกบ่วงทรัพย์บวงฐานะตําแหน่งแต่ละอย่างนี่ยมันเป็นบ่วงแล้วทั้งหมดก็คือวัตถุกรรม คือถ้เราคิดง่ายๆเนี่ยจริงๆมันคือวัตถุกรรมเป็นวัตถุที่เรากําหนดว่าน่าคล่น่าปรารถนาน่าพอใจเรากําหนดเราเองนะฮพว่าสิ่งที่เราคล้องเนี่ยมันจึงต่างกันถ้าเราจะเทียบว่าเราเอาคนไปกักไว้ในที่ใดที่หนึ่งเน่ยนะะแต่ว่าพื้นจิตของคนเนี่ยมันต่างกัน แล้วก็ในถนนสายนั้นที่เราปล่อยเขากลับไปให้เดินไปถนนสายนั้นแล้วคนจะแยกไปโดยสภาพคือใจแกข้องอยู่อะไรแกแก็แวะร้านนั่นนะถือว่สมมติเราก็เรียกคนมาแล้วก็ให้ะ จ, จะต่างแจกแจกสตางค์แล้วให้เขาเดินบนบุญถ น, น น, นคนเหล่านั้นจะแวะในร้านที่ตัวเองข้อง มปนอาหารเป็นอะไรก็ไม่รู้แม่แต่อาหารข้าไปในร้านอาหารยังเห็นว่าไอจิตที่กําหนดมันจะต่างกันเพิ่มคนก็สั่งอาหารต่างกันเป็ น, นธรรมชาติของมนุษย์ทีนี้พอมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะเปลืองในายากเพราะอะไรเพราะมันเป็นคันทะคือมันร้อยรัดเอาไว้ร้อยราดเอาไว้ประกอบเอาไว้ขังเอาไว้ก็แล้วแต่จะเรียกนะแล้วแต่จะเรียก ในที่สุดมันก็ละเลยภารกิจการงานใจก็จะหมกมุ่นงม ง, งายด้วยอนาจของกิเลสเป็นอุัตเมาเหมือนคนสลบอ่ะไม่รู้สึกเงื้อสึกตัวเลยหาคำตอบไปแก่ตัวเองไม่ได้เพราะว่ามันมีลักษณะขขงเรียกว่าหลงไหลหลับไหลหลงไหลเลื่อนไหลหลับไหลไปตามอารมณ์ที่ใจไปกำหนด ว่าน่าครายนะปรารถนาน่าพอใจทีนี้เมื่อคนเข้าไปในที่นั้นก็มีอะไรคขาดื่มกินนะฮะเขดื่มกินมีอาหารอาหารอาหารตาอาหารหูอาหา ร, หา ร, หารจมูกอาหารลิน้นอาหารกายก็รนกลืออยู่กับเรื่องนั้นพอทำไปตา ม, มาจิตก็จะดื่มดมทราบซึ้งกิดใจสยบติด ในโพสติบัญญัมันจะหายไปเรื่อยๆเป็นคนที่เรียกว่ามัวเมาจนถึงก็เมาใหม่แล้วก็อธิบายไม่ได้ทํายังไงวะอธิบายไม่ได้อย่างแ ม, ม้บุรีเนี่ยทํายังไงมันเลิกไม่ได้บุรีเนี่ยที่จริงมันอยู่ในซองนนะฮะเราไปซื้อมาราคาแพงนะคะว่าตอนเนี้ยแล้วก็ดึงมา แล้วมาคาบไปที่ปากแล้วถ้าไม่จุดทําไม่จุดไฟก็ไม่มีอะไรจุดไฟถ้าไม่ดูดก็ไม่มีอะไรดูดสักพลิ้งแต่ก็ไม่มีอะไรคือคือมันไม่มีชีวิตอะไรมไม่ได้สั่งเราเราไปให้ความสาคัญแก่เขาเองเราไปยอมจำนวนก็เองฮะไปจำนวนกับสิ่งไม่มีชีวิตไปจำนวนกับบุหรี่ไปจำนวนกับเหล้าไปจำนวนแก อาหารไปจำนวนกับสิ่งเสียบิดทั้งหลายเนี่ยยอนสยบกับสิ่งที่ไม่มีอำนาจในตัวกมันเองแต่เราก็ยอมจำนวนเขาเองเพราสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ติดชีวิตเรามามันไม่เหมือนกับพวกอะไรละพวกหนาวร้อนหิวกระหายป ว, าปวดปวดาระหา ง, งนอนแกเจ็บตายอันนี้มันอีกเรื่องหนึ่งมันติดมาเราก็ต้อง พยายามหมดก้านหนดคุณต่อสู้กับอารมณ์เหล่านั้นแล้วก็จิตใจก็จะเกิดบันเทิงใจนะะอันนี้คือจริงแล้วเราไปไปนั่งตามอเนีกสถานเรืองรวมทั้งหลายเราจะเห็นว่าภาพเหล่านี้มีอยู่ทั้งหมดเป็นท่านสะท้อนภาพเมื่อสองพันหรอยกว่าปีไหมดูมาเกิดความร่าเริงแล้วก็คนนั้นก็หมุกมุ่นด้วยตัณหา มีการมาตัญหาเพราะว่าตัญหาวีเพราะาตัญหาก็เราจะเห็นจะเห็นอาการอะจะเห็นอาการของของกิเลสอย่างทีง่เคยยกตัว อ, อย่างอะคือถ้าเราดูอาการของคนที่ตอนสื่นะึนามีก็เกิดจากภาพภาพที่เขาถ่ายถ่ายถ่า ย, ถ, ายถ่ายมันูนะมันเป็นอาการของกิเลสที่เริ่มต้นจากตัวหลักจริงๆนะี่คืออวิชชาคือความไม่รู้ เพราะไม่รู้เนี่ยเป็นเหตุให้คนกลุ่มหนึ่งโลภะคือพอเห็นน้ำมันลดแล้วก็เห็นปลาติดอยู่ที่พื้นก็วิ่งเข้าไปจับปลา น, นัคือโลภะเพราะอะไรเพราะไม่รู้ทีนี้อีกคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยยืนหันซ้ายหันขวามันเป็นอาการของโมหะคือวิจิกิจชาคือสงสัยคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยำกำหึงคือวิ่งแต่ว่า มันก็อยากรู้เพาเลย ว, วิ่งวิ่งแล้วก็เหลียวหลังมาดูวิ่งวิ่งหยุดหุดอย่างภาพอินโดนีเซียนี่เห็นในชาติแรกคนวิ่งวิ่งเหาะเหาะไม่ใช่วิ่งจริงไม่ใช่วิ่งแบบหนีภัยคือวิ่งแบบเหาะเหาะจนคลื่นมากระชาตเห็นไปต่อหน้าต่อตาเลยคนคลุ่หนึ่งวิ่งอย่างเร็วแต่มีเด็กคนหนึ่งแกบินขึ้นตนกมา รือภาพเหล่าเนี้ยมันแสดงให้เห็นถึงกิเลสที่มีอยู่ภายในใจคนว่าคือรู้รู้กับไม่รู้แต่มันก็ออกอาการมาผลจากกิเลสกับผลจากธรรมารู้วคืออันตรายวิ่งหนีอันตรายก็วิ่งหนีคนแล้วเหล่านี้ก็รอด คือถ้าเราไปไปดูอาการแล้วก็สายหรือว่าเอ๊ะทาไมมันออกไปอย่างงั้นทำไมจะออกมาอย่างนั้นตรงนี้ก็คือจริงๆก็คืออาการกิเลสท่านก็บอกว่าสัตว์เหนั้นจิตมันน้อมไปในกามก็เป็นผู้พรั่งพร้อมด้วยกามคุณในอิริยาบถ ท, ทั้งหลายทีนี้ท่านเล่าอ่ะมันเล่ามันก็มันก็ ก็เมืองใหญ่ๆทั้งหลายมันก็เป็นอย่างนั้นท่านรล่าว่าในสมัยนั้นเนี่ยยกเว้นพระยาส า, าวกชาวกรุงสวัสดีก็มีการโฆษณามีการเล่นมรสุมมีการตัดเสียมพื้นที่ในการเล่นตามกำลังสมบัติกินดื่มบริโภคกรารทั้งในที่แจ้งทั้งในที่ลับบำเรออินซีอินซีก็คือตาหูจมูกลิ้นก่นะ ถึงความดื่มดำในการทั้งหลายบุิุษสูทั้งหลายเขาเทไปบินสะบาดกขาไปเห็นเหการแล้วเนี่ยนั่นคือคือเป็น <c oughs> เป็นที่จริงมันเป็นปกติเป็นปกติแต่ว่าเวลาพระท่านมองเนี่ยท่านมองด้วยความสงสารท่านมองด้วยความสลดเพราะว่าอะไรเพราะท่านยกจิตขึ้นมาเหนือ มันก็เหมือนกับว่าคนเคยเล่นการพ น, นันแล้วก็เห็นโทษรองการพ น, นันล้วเลิกเล่นการพ น, นันแล้วก็ยังเห็นเพื่อนก็เล่นการพ น, นันมองคนเล่นั้นด้วยความสงสารที่มันตกเป็นาทาตเป็นเหยื่อของอบา ย, ย ม, มุคจึงนำเรื่องนี้มาประรูกใกล้จะหาทางออกแต่ว่าไม่รู้จะทำยังไง คือพระบางทีเราก็ยอมจำนนเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันเป็นเป็นเรื่องทางข้างนอกเพราะว่าเราเองค่อนงถูกกีดกันนะนะกีดกันไม่มีส่วนร่วมไม่มีส่วนร่วมไม่ให้มีการแสดงเหตุผลต่างๆมีคนก็ถามว่า ท่านนายกมาสอบถามโยคุณบ้างหรือเปล่าเรื่องพรรคการบอกก็ไม่รู้จักกันหรอกแต่ว่าที่จริงเนี่ยท่านเจ้าของจังหวัดยะลานี่ยเคยอธิบายมาให้เคืยขอสํานองของท่านมาแสดงวันท่านก็รู้จริงนะแต่ว่าในรายละเอียดเนี่ยยังไงพระเราก็รู้ไปเลยเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ภาคสนาม แตหน้าที่ของราช ก, การจัดการก็อยู่ภาสนา ม, มนก็ชัดเจนกว่าทีนี้ถ้าอยู่ภาคสนามอย่างเนี้ยคนนี้ก็อยู่ภาคสนามแต่ว่ากิเลสเขาฉุดไปอ่ะกิเลสเขาเหนียวรั้งไปก็เกิดก่อยเกิดอาการข้ออาการติดอาการกำลัดเพลิดเพลิน อ, อยู่ในอารมณ์ทั้งหลายเราได้ข่าวอ่ะคนที่ มีบาพังมีผับ พ, พังลงไปอย่างต่างประเทศบางทีเนี่ยคนตายเป็นร้อยๆประสานที่รังล ม, มพังลงไปหรือบ้านเราก็เคยมีในะลักษณะนี้ที่พังคนก็ไปสนุสนานเพลิดเพลินขับร้องเต้นรำกันสนุสนานแล้วก็เกิดอาคารพังถล่มลงมา ทั้งหมดเนี่ยที่จึงเป็นบทเรียนทั้นั้นแต่ว่าตราบใดที่คนยังไม่ชัดเจนยังไม่มีหลักอยู่ในสมานาสิกามีระบบการคิดที่มีเหตุมีผลแล้วก็เทียบเคียงถึงประโยชน์ที่ตัวเองจะพึงได้จะพึงได้กับเสียเนี่ยในเรื่องเหล่านั้นการจะดึงจิตออกมาจากสถานที่เหล่านั้นจะทาได้ยากปัญหาสำคัญว่ามันต้องเกิดจิตสานึกด้วยจิตเอง คนอื่นจะบอกกล่าวชี้แนะอะไรก็คงจะแก้ไขอะไรได้ยากกว่าเขาไม่คิดแล้วก็ตัดสินใจด้วยตัวเองล้วฟังทงั้ไหลายเสียงทําจากมหาวิทยาลัยศรีประทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจึงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายด้วยตัวกันสวัสดี